أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى ม ل ه وصحبه าล م ع ي ن سبحانك لا علم لنا ั ل ا ما علمتنا ซ ن ك บ ن ت ا ل ع ل ي า الحكيم ร ب บบ ظلمنا أنفسنا و إ ل متوفر لنا وترحمنا نكونن من الخاسرين اللهم ألحمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا اللهم أتينا أنفسنا تقوها و ز ك ه أن ا أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها ربنا أ ت ا ن ا في الدنيا حسنة وفي ا ل آ خ ر ة حسنة وقنا عذابنا الحمد لله นะครับก่อนที่เราจะเริ่มอ่านส و ม ة ا ل ะ ر س ั ا นี้ก็เป็นครั้งที่เอ่อที่สานะครับสาหรับส و ر นี้ ก็ อ, อยากจะได้ทบทวนนะครับนิดหน่อยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเรา<ม>เขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบมีความตระหนักและมีสํานึกมีสติภายใต้การ สั่งสอนหรือการตักเตือนของอัลลอ์ของท่านนาบีสุลต่านวะฮ์ลัมเราสังเกตเห็นชีวิตของมนุษย์หลากหลายประเภทที่มีอยู่ในดุนยานี้นะครับคุณค่าของการที่เราใช้ชีวิตอยู่กับอิสลามจะเห็นได้ชัดเจนมากเวลาที่เราประสบกับวิกฤต และปัญหาต่างๆในชีวิตของเราคือถ้าเป็นชีวิตปกติธรรมดาเส้นกราฟธรรมดาในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นความแตกต่างระหว่างคนที่ศรัทธาต่ออัลลอ์กับคนที่ปฏิเสธอัลลอ์คนที่ไม่ศรัทา Allah, ธ, ธาอัลลอฮ์ س ب ح และ ت ع แล้วเวลาที่มีวิธกฤต มามีบททดสอบมาอันนั้นเราจะเห็นเราจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างคนที่มีอัลลอฮ์กับคนที่ไม่มีอัลลอ์หมายความว่าการทดสอบแต่ละอย่างหรือวิกฤตแต่ละอย่างที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าใครกันแน่ ที่เป็นคนจริงและใครที่เป็นคนปลองไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ทํามาจากยางใช่หมายถึงว่าคนที่เป็นคนจริงๆเป็นเป็นมันเป็นผู้ที่มีความมั่นคงจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบแต่จริงๆแล้วมันมีทีม่มาของมัน วิกฤตเนี่ยเราไม่ชอบการทดสอบเราก็ไม่ชอบแต่บางอย่างมันมีหกมักอยู่เบื้องหลังเบื้องหลังวิกฤตเบื้องหลังสิ่งที่เราไม่ชอบ เ, เวลาที่เราขอดูอาเนี่ยมันจะมีดูอนดูอาอีกแล้วอาจารย์ไม่ไหวแล้วอาจารด์อ้ออีกแล้วอาอไม่ต้องด้อาอก็ได้มันมีคำสอนอย่างหนึ่งนะฮะคำสอนที่ท่านนาบีใช้พูดแต่มันก็เป็นด้อนนแหละ นะท่านเบบีคืขอดวงอประมาณว่าวชรลิกอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ากอฎละกดรอนนี้บาปหรือหมวดที่เราเรียนอัดเกี่ยวกับกัฎละกดารของอัลลอตาเนี่ยกัฎละกัดดรของอัลลอเามันจะมีทั้งเรียกว่าขยรีฮีชรรีฮ มีทั้งที่ดีแล้วก็ที่ที่ไม่ดีแต่เราจะบอกว่าไอ้ของที่ไม่ดีเนี่ยไปพลาดพิงกับ Allah ได้ไหมนั่นแหละที่บอกว่าดอาของท่านนาบีา น, นาบีบอว่า والشر ليس إليه ความชั่วนะ่ะจะไม่พลาดพิงไปอย่าง Allah ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ Allah กะลกำหนดมาก็ตามเพราะอะไร เพราะว่าบางทีสิ่งที่เรามองว่ามันไม่ดีหรือมันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเนี่ยมันมีแง่มุมที่ดีในทัศนคของอัลลอฮฺสวาบุตาะลาแต่เราไม่รู้เราไม่ชอบแต่มันมีสิ่งที่ดีที่อยู่เบื้องหลังอยู่เพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นเราไม่สามารถที่จะผ่านบททดสอบนั้นเหมือนเวลาที่อาจารย์ออกข้อสอบเนี่ยสอบนี่ดีไหม เวลาสอบนี่มีใครอยากจะสอบมั่งเป็นนักเรียนแต่ไม่อยากจะสอบเรามองมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีการสอบเก็ยกเลิกการสอบดีกว่าสอบทำไมโอนุงโอนเน็ตอะไรอีกสอบไม่รู้ตั้งกี่ตั้งแต่เล็กจนโตนี่ต้องสอบสอบสอบอนุบาลก็สอบเข้าโรงเรียนอนุบาลอะไรอีกประชมก็สอบพอเป็นคนแก่ก็สอบอีกสอบใบขับขี่สอบหมดอายุใบขับขี่เดี๋ยวนี้ต้องสอบทุกห้าปีสอบทำไมวะ ไ ป, ไปบนนะไม่มีใครชอบการสอบอะ่ะแต่ถามว่ามันดีไหมสอบเนี่ยดีไหมครับดีดีตรงไหนนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เา a l l ลาทดสอบเราเนี่ยเรามองว่ามันไม่ดีแต่เบื้องหลังนั้นมันมีสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเราจะพลาดทิ้งว่าไอ้เนี้ยความไม่ดีเนี่ยมันมาจาก Allah ไม่ได้เพราะว่าบางทีมันมีฮิกมัดบางอย่างที่เราไม่รู้อยู่เบื้องหลังมันนั่นเอง ก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่าจะเราจะไม่พูดว่าสิ่งที่ไม่ดีมาจากอัลลอฮ์ถ้าสิ่งที่ดีเนี่ยมาจากอัลลอฮ์เป็นการเต้าฟิกเป็นการประทานจากลอฟฟองอะไรแต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมาจากตัวเราเองหรือมาจากชัยตอนคุเคยได้ยินไหมครับเวลาที่เขาบรรยายเสร็จเนี่ยเขาก็จะเขาขยับปิดบรรยายเขาจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยมาจากอัลลอฮ์อะไรก็ตามที่ไม่ดีนี่มาจากตัวกระผมเองและมาจากมาจากการคุกคามหรือการ การหลอกลวงของชัยตอนที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยเพราะต้องการให้เรามองชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยทุกวันนี้นะครับพี่น้องของเรากําลังประสบกับสิ่งที่มันไม่ดีอยู่ประสบกับอุทสกับภัยประสบกับเหตุการณ์ต่างๆที่คือไม่มีใครชอบอ่ะแต่เบื้องหลังสิ่งที่เราไม่ชอบเหล่านั้นมันมีสิ่งที่ดีอยู่แสงอยู่อย่างมากมายที่เราไม่สามารถจะไม่สามารถจะ อธิบายได้บางทีสุดทายนัลลและผมสองสามวันที่แล้วมีมีอุสตา d มีอาจารย์จากจากต่างประเทศโทรมาหาโทรมาคุยก็าถามว่าเป็นยังไงบ้างเราก็ตอฮัมดีแล้วอย่างนี้แล้วก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้กำลังมีน้ำท่วมอยู่นะครับบางจังหวัดเนี่ยสุดท้านัลลและคนที่เข้าใจเนี่ยเขาจะไม่พูดในเชิงไม่ในเชิงลบ ผมผมผมอึ้งเลยคืออีเราเรานึกว่าแกจะพูดแบบอ่านกระฝากสลามมาด้วยนะครับเด็กโอเคเราคิดจะพูดว่าผมนึกว่าแกจะพูดว่าแกจะตกใจหรือแกจะอะไรก็ได้แกจะรู้สึกโอ้ยมันไม่ดีมันอย่างนี้แต่ก็าบแกขอด้วยอาด้วยซ้ําไปแกบอกว่าขอให้น้ําท่วมนี้นําสิ่งดีๆมาให้คือเรานิดอึ้งเลยว่าเฮยอะไรวะขอให้น้ําท่วมเนี่ย นำสิ่งดีีดมาให้อืมชีวิตคนที่มีอัลลอฮฺตาอัลาเนี่ยเขาจะไม่มีสิ่งที่ไม่ดี <c oughs> คือเขามองวิกฤตนี้เป็นสิ่งที่ดีหมดเลยแต่เรามองไม่เป็นเพราะเราไม่มีอัลลอฮ์เราไม่มีเราไม่มีมุมมองแบบที่อัลลอฮฺตาอัลาต้องการให้เรามองมองอะไรบางทีมองสิ่งที่ดีก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีพวกเราไอ้ของที่ไม่ดีนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วชัว บางทีสิ่งที่ดีเรายัางมองไม่ดีเลยแล้วนะับประสาอะไรกับสิ่งที่ไม่ดีฮะเนี่ยสาคัญมากเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้ชีวิตของเรานี่มีอิสลามมีอัลลอฮ์มีสุนนะมีมุมอมองทัศน์แบบท่านนาบีสุลตัลลอฮ์ของเราสุลตัลและทุกอย่างในชีวิตจะไม่มีสิ่งที่ไม่ดียากมากยากมากที่จะ ปรบับให้ควให้มุมมองของเราเนี่ยเวลาที่มันเอาแว่นของอิสลามมาใส่ล้วมันจะมองเห็นทุกอย่างเนี่ยมีแต่งแง่มุมที่ดีทั้งนั้นสําหรับชีวิตของเขาทุกวันนี้ที่เรามองเห็นว่าอันนั่นก็ไม่ดีอันนั่นก็ไม่ไม่ไหวอันนี้นก็เลออันนี้น ก, นนนก็เหนื่อยอันเพราะอะไรเพราะแว่นที่เราใส่เนี่ยมันไม่ใช่แว่นของอิสลามแล้วคนที่ไม่มีอิสลามนี่นะถึงแม้จะเป็นมุสลิมชีวิตเขาเนี่ยอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลัาลลอฮนสงสารมาก มีปัญหาตลอดไม่เคยจบปัญหาเพราะเขาไม่มีทางแก้ไขในขณะที่คนที่มีอิสลามอยู่เนี่ยมีปัญหาเหมือนกันแต่ว่ามันผ่อนได้หมดเพราะว่ามันแก้คลี่คลายได้หมดเพราะว่าอิสลามช่วยคลี่คลายให้กับเขาสุภานบี ล, ละนึกถึงเรื่อง น, นี้ได้เพราะว่าเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสองสามวันนี้เรามองว่าสุภาพนบีน้องของเรา ทั้งคนที่โดนน้ำท่วมทั้งคนที่ไม่โดนน้ำท่วมเราเห็นการเร็วมากนะการให้ความช่วยเหลือการเข้าไปในพื้นที่อทำเลยแหละนะผมว่าพวกเรา ท, ที่นั่งตรงนี้ทุกคนก็แต่ละคนก็น่าจะมีส่วนร่วมอยู่เรจะเห็นเลยว่ามันมันเพราะอะไรที่เรามีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะอิสลามช่วยกากับชีวิตของเราให้เดินไปตามตามเส้นทางที่เราต้องการอันนี้เอาไปเปรียบเทียบกับ กับเรื่องอื่นในชีวิตด้วยไม่มีเฉพาะแครังนี้อยจะบอกคนที่มีอิสลามอยู่กับเขาตลอดเลลวลาคือบางทีเราก็หล่นเราไม่ใช่หล่นหรอกคือเราก็เขวหรือเราบางทีเราเราก็พยายามที่จะเดินอยู่บนเส้นทางที่อัซเซร์ตอลมุสตะ ก, กีนี่แหละแต่มันไม่เพอร์เฟคต์อะคนเรามันไม่มีใครที่เพอร์เฟกบางครั้งเรานึกว่าเออเราเนี่ยเพอร์เฟกที่สุดและวดีที่สุดแล้วพอมีคนอื่นม า, นาเสียฮัตเราเราก็มองตัวเองออกว่าเออ ใช่มันมีข้อบกพร่องอีกเยอะในตัวเราเราไม่มีอะไรที่สมบูรณ์เลยนันแหละผมได้บทเรียนมากจากจากโทราศัพท์ทางไกลสองวันนั้นนั่งคิดอยู่ตั้งนานเอไม่เคยได้ยินคำพูดที่บันทอนกำลังใจเลยอะ่ะคือทุกอย่างที่พูดก็คือไม่เป็นการขอดุอาให้แล้วก็เป็นการมองมองมบวกตลอดซึ่งเราต้องมาเรียนรู้แล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวเองอีกเยอะ ที่จะมองทุกอย่างให้มันเป็นด้านบวกอะ่ะมันจะไม่เครียดเวลาที่เรามองชีวิตของเราเป็นด้านบวกเนี่ยมันไม่มันไม่มีอะไรที่จะเครียดจริงๆทุกวันนี้ที่เราเครียดเพราะว่าเรามองทุกอย่างไม่ลบก็คือเท่าเท่ากันอะ่ะมันยังไม่ใช่ไม่รู้สินะ่าลองกลับไปทบทวนที่เราแชร์ล่าสุดก็คืออะไรนะของอัชชะดีเนี่ยเจ้าของตับซีร์เลมนี้ 21วิธีทําชีวิตให้มีความสุขทำยังไงอัลอัลวาซาอัลอัลโมฟิดะลิลฮัยยะจิสไอดะเราจะปรับความคิดของเราอย่างไงมี21อย่างน้อยมี21เทคนิคในการที่จะปรับมุมมองและทัศนคติของเราในการที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆทําให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่เรื่องบวก ไม่ว่าเราจะเจอกับอะไรก็ตามผมได้ประโยชน์เยอะผ ม, ผ ม, ผ, มผมรู้สึกว่าเออทําไมกูเพิ่งอ่านหนังสือเลื่อนี้วะรู้สึกว่าทําไมเพิ่งอ่านวะทั้งทั้งที่มันอยู่ตั้งนานละเขียนมาตั้งแต่ปีหนึ่งห้าเก้าสองเกี่ปีหนึ่งเก้าห้าสองไม่ใช่หนึ่งห้าเก้าสองหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าสองเก้าห้าเจ็ดประมาณนั้นก่อนที่เราจะเกิดไม่รู้ตั้งกี่ปี พานอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ว่านั่นแหละที่บอกว่าคนที่ยิ่งเรียนรู้เข้าใจอิสลามเนี่ยเขาจะยิ่งรักอิสลามเพราะเขาจะไม่เจอกับปัญหาเราเคยเปรียบเทียบว่าคนที่เรียนรู้อิสลามเราเนี่ยเหมือนเราเนี่ไม่ไม่มีอิสลามไม่ได้เหมือนปลาที่ขาดน้ําไม่ได้เราถ้าขาดปลาถ้าขาดน้ําเมื่อไหร่มันก็จะตายพวกเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีอิสลามเมื่อไหร่เราจะอยู่ไม่ได้ แต่อิสลามของเรามันก็ต่างกันปลาบางตัวอาศัยอยู่ในโหลขวดแก้วอะ่ะมันอยู่ในน้ำเหมือนกันแต่ว่าน้ำของมันอยู่ในขวดแก้วมันไปทางขวามันก็ชนแก้วมันไปทางซ้ายก็นชนแก้วมันไปทางหน้าก็ชนหลังก็ชนก็เลยรู้สึกไม่สนุกเหมือนกันมุสลิมบางคนมีความรู้สึกว่าชนหมดเลยทงนุ่งก็ไม่ได้ทงนี่ก็ไม่ได้ชนหมดเพราะอะไร พระอิสลามของเขาเนะ่ยเหมือนอิสลามในขวดแก้วลองกระโดดจากแก้วสิกระโดดจากแก้วไปอยู่ในสระน้ำเพิ่มความรู้อิสลามให้มากหน่อยก็สบายขึ้นใช่ไหมครับเหมือนปลาที่ว่ายอยู่ในสระน้ําน้ําเยอะหน่อยก็ว่ายได้ดีหน่อยแต่ก็ยังไม่ไว่ายังอยู่ในพื้นที่แคบๆเราก็เหมือนกันถ้าอิสลามของเราอยู่ในสระน้ําก็โอเคว่ายได้ดีขึ้นแต่ก็ยังยังไม่ยังไม่เหมือนกับ ปลาที่ว่ายในในแม่น้ําไม่เหมือนกับปลาที่ว่ายในมหาสมุทรโอ้อันนั้นสุดยอดอิสระเสรีไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยทั้งกั้นอย่างนั้นอิสลามของเราต้องเป็นอิสลามเหมือนมหาสมุทรเหมือนฮิบรุลอุมหม่าเหมือนบาฮรุลอัลหม่าเหมือนอิบนับบาสะมหาสมุทรแห่งประชาชาติอะ เราไม่ถึงขั้นนมโนบแต่จะบอกว่านี่คือการเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆว่ายิ่งเราเรียนรู้อิสลามเข้าใจอิสลามมากแค่ไหนชีวิตของเราจะยิ่งสบายมากแค่นั้นจะไม่ทุกข์นั่นแหละที่อัลลอฮฺที่ท่านนบีบอกมันยุริดิลล่าฮุบิฮีไอรรอนยูฟักกิฮูฟิตตินใครแต่ละอะไรจะให้ความดีกับเขาปัจจัยที่จะให้มนุษย์คนหนึ่งได้รับความดีก็คือยูฟักกิฮูฟิตตินให้เขาเข้าใจศาสนาอัลลอฮ์นะครับ ฝากไว้ด้วยก่อนที่เราจะเรียนเพราะว่าสุรานี้มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมันเป็นการทบทวนและเป็นการตอกย้ำความเชื่อของเรากับอักยดะในเรื่องของวันเทียมะวันนี้เราจะมาอ่านตั้งแต่อายะที่29นะครับไปจนถึง40น่าจะอีกสองตอนก็จบการ อ, อ่าอีา29นะครับสุรจันทร์สดมีหนังสืออีกไหมโดข้างล่างมีหนังสือหรือปล่าดู อ่านสิอาบุบิลลาฮิัยนอท إلى ما كنت م به تكذبون إن طلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشر ك ا ل ق ص แค่หนูจมัลาตุศูร์ไว้ลุยว ل ْ م ُ ك َ ذ ِّ ب ِ ي ن َ إن كان لكم كيد فكيد وإن كان لكم كيد ف ك, ف ك, ف ك و ي ك و ل م ا ل ح ัมด ل ลิล <ani> ุกปลุกนี่กลุ่มอายัดนี้นะครับมันจะมีสามสภาพหรือสามสถานการณ์ที่อัลลอฮตาลาอธิบายให้เราเห็นถึงสภาพของชาวนรก จากตอนที่แล้วนะครับที่อลัลลอฮฺตะลายกหลักฐานมาเพื่อให้พวกเราได้ยิ่งมั่นใจว่าวันอาคราจจะต้องมีอย่างแน่นอนแต่สำหรับคนที่ไม่เชื่อสุดท้ายพอวันอาคราจมาถึงจริงๆพวกเขาก็จะต้องรับสภาพและจะโดนอัลลอฮฺซุบฮฮานะตะลาออกคำสั่งว่า อิมทลิกูอีลาแม้คุณตุม bih ทุกษบุนไปเลยอิมทลิกูเป็นคำสั่งเชิงก็ไม่กว่าอะไรคู่เข็นหรือว่าสำทับเจ้าเคยปฏิเสธมาใช่ไหมโอเควันนี้ไปเลยไปไปไหนไปหาสิ่งที่พวกเจ้าเคยปฏิเสธมาก่อนมากุณตุม bih ทุกษบุน เคยปฏิเสธเคยถากถางเคยล้อเลียนท่านนบีสลต่ลฮว่าพูดอะไรไร้สาระนรกจะมีได้อย่างไรถ้าเราเข้านรกเราก็จะเข้าไปอยู่ไม่กี่วันมีมนุษย์บางพวกพูดอย่างนั้นวกอลเล่นนัดล่นอะไรนะ่กลพวกยิวดีที่มันพูดว่าอย่างไงในสุรุลเบระอัลลอฮาองนลน อีลาอียามม์มั่งดูดะอีลาอียามม์มัดูดะจําได้ไหอายตอะไรจะบอกว่าพวกยอดีนี่บอกถึงเราจะเข้านรกก็ไม่กลัวเอเจ๋งมากนะครับนี้จะมีพวกที่ไม่กลัวนรกเพราะฉะนั้นวถึงวันอารัเราตลคบอกไม่กลัวใช่ไหมเชิญอินลกูอิลามคุุมบิฮตุคัซซิบูน لا อ ل ه ล ل ا الله ล a l l a ا เราเนี่ยว่าาาเ هذا الوعد إن كنتم صارقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ز ل ف ت ن س ي ئ ت و ج و ه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تكذبون เอ้ตค ذ บุนไม่ติดดองติดดองจะบอกว่า สุดพานั่นแหลคือมันเป็นการเพิ่มความรู้สึกเวลาที่เอาสิเหมือนเป็นการประชดประชัมประชดประชันภาษาอาราพเขาเรียกว่าอ um ัตฮักกุมคําสั่งแบบอ um ัตฮักกุมคือไม่ได้เป็นการเชื่อเชิญเป็นการประชดเอาไหมนี่ไปเลยนี่ไงที่พวกเจ้าเพื่อปฏิเสธมาก่อนไปเลยสิเจ็บไหมครับ ถ้าเราโดนอย่างนั้นเราเจ็บไหมเราเคยเราเคยไม่เอามาก่อนแล้วอยู่ดีๆเขามาว่าอย่างนี้กับเราเจ็บยิ่งเจ็บนะเป็นการเพิ่มอาสาให้กับคนที่อาสาทางความรู้สึกเียนอกจากจะเป็นอาสาที่โดนนรกจริงๆแล้วอาสาทางความรู้สึกก็สุดๆเช่นเดียวกันนะอุษบรัอันตรายไปเลยไปหาร่มเงา ظل จริงๆแล้วคำว่าวิลเนี่ยหมายถึงร่มเงาซึ่งเป็นสิ่งที่บรรดาชาวนรกนี่ต้องการมากๆนะคนที่ถูกลงโทษในนรกเนี่ยอยู่ในความร้อนต้องการอะไรครับต้องการความเย็นต้องการอะไรที่มันเย็นเพราะฉะนั้นดูเห็นว่ามันมีร่มอยู่มีเงาเย็นๆอยู่ดูข้างนอกนี่มันเป็นเงาเย็น เหมือนเป็นที่พักที่มันเย็นเย็นเหมือนที่บรรดาชาวสวรรค์ที่เราบอกว่าชาวสวรรค์จะอยู่ภายใต้ร่มเ ง, งาไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นเอ็คนที่อยู่ในนรกเนี่ยในนรกเนี่ยจะเห็นเหมือนกับอะไรอะ่ะเหมือนกับมืดมืดไม่ใช่ไฟเราสัจจะก็เลยประชดรอบที่สองว่าอินตุลิคุไปสีนั่นน่มีร่มเ ง, งาอยู่อิล่าิลล์ีทชูอับร่มเงาเนี่ยสูงใหญ่มีออกมาเป็นแฉกแฉกเป็นสาขาออกมาสามสาขา แต่ว่าพอเข้าไปจริงๆปรากฏว่ามันไม่ใช่ร่มเงาที่ให้ความเย็นแต่เป็นอะไรครับเป็นดุข้อนุจหันนำเป็นควันของนรกจันนน์ดูเป็นเงานึกว่าเป็นที่เย็นเป็นแอร์แต่พอเข้าไปข้างในกลับกลายเป็นความร้อนและจลีลไม่มีความเย็นอยู่ในนั้น ไม่มีความหนาวเย็นไม่มีความไม่มีความปลอดภัยที่ทำให้รู้สึกว่าได้พักผ่อนและไม่สามารถที่จะช่วยให้รอดพ้นจากอัลฮับเปลวไฟได้แม้แต่นิดเดียวงาอุบิลละฮมอินนฮะเรมีบิชารินกลสร เปลวไฟในนรกยันนังเนี่ยเวลาที่มันปิทุกออกมาเนี่ยใหญ่โตแค่แค่อะไรเขาเรียกชร์รเนี่ยเหมือนกับลูกไฟอะเวลาที่เราต่อไฟแรงๆใช่ไหมครับแล้วเราคว้างอะไรเข้าไปข้างในกองไฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงไฟมันจะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะสกเก็ตอ่าสกเก็ตไฟหรือลูกไฟนี่แหละคือชาร์ร อะไรไนะอ่าเหมือนเป็นประกายเป็นลูกอะไรเป็นเล็กๆอ่ะคือถ้าไฟในดุนยาเนี่ยมันจะออกมาเป็นเล็กๆๆๆใช่ครับแต่ในนรกจัน์นเนี่ยประกายของมั น, มนหรือลูกไฟที่ออกมาเนี่ยกัลสรเหมือนกับตึกนี่คือไฟของนรกจั น, นทนอร์มีบิชรริ อันน ar ี la la la ah. um ah ้เป็นการเปรียบเทียบอัลลอฮฺใช้การเปรียบเทียบโดยเอาสิ่งที่พวกอาหรับเนี่ย คุ้นเคยดีนั่นก็คืออูดจิเมะและจุนซุฟเนหมายถึงอูดสีดำที่สีออกจะไปทางเหลืองหน่อยๆทำไมที่เปรียบเทียบกับอูดสีดำแบบนี้เพราะว่าอูดพวกนี้เนี่ยมันสีคล้ายๆไฟไฟจะได้ว่าไฟ น, ะไฟนรกเนี่ยไฟนรกเนี่ยเป็นไฟสีดำไฟสีดำที่มีสีของไฟอยู่ด้วย มันไม่ใช่แดงแบบไฟในในแม้กระทั่งไฟในโลกดุนียะเองมันก็มีหลายแบบมันอยู่ที่เชื้อเพลิงใช่ไหมครับอถ้าเป็นถ้าเป็นอะไรก็เรียกถ้าเป็นไม้ไฟก็มันก็จะออกมาสีอีกแบบหนึง่งถ้าเป็นผ่านหินก็จะเป็นสีอีกแบบหนึง่งไฟสีดดงมีไหมในดุญญนียะนี้เคยเห็นไหมไฟสีดดงไฟสีอะไรที่ร้อนที่สุดใครเรียนเรื่องไฟบ้างน้ําเงินน้าเงินหรือว่าแดง หรือว่าเหลืองไ ฟ, ไฟในนรกเนี่ยไฟที่ร้อนที่สุดก็คือไฟสีดำไฟสีดำที่ยังยังมีสีเหลืองๆ อ, ออกด้วยมันจะมีอูดบางชนิดที่สีเหมือนเนี้ยสีมันดำแล้วก็ออกออกเหลืองๆ เ, เพราะฉะนั้นอเละการ์ก็เลยเอาอูดแบบนั้นน่ะมาเปรียบเทียบให้คนอารับเนี่ยเห็นภาพ ให้จินตนาการแล้วอูดตัวนี้เขาบอกว่ามันวิ่งเร็วมีในฮะดิษบางะดษีอิบนาคาซีรบอกเอกบาอิบนาคซีรได้เล่านะครับบอกว่าเป็นรืยัดในรับที่บอกว่าเป็นรืวอยจากอับดุลละอบนุอมบอกว่า فإن نحد نحدث يومئذ أنها تخرج ع حتى إذا كانت بين ظهراني الناس نادت أيها الناس إني بعثت إلى ثلاثة أنا أعرف بهم من الأب و ل د ي ومن الأخ بأخي ในวัน آخرتنا จะมีมอนกับจะมีอะไรบางอย่างที่ออกมาจากนรกออกมาแล้วก็มาหาที่เราเคยเรียนใน ورة มาอา ريش กินงจาได้ไหมที่บอกว่า นรกเนี่ยมันจะมันจะมาหาคนที่จะเข้านรกจากจากที่ที่กำลังรวมตัวกันอยู่เลยแล้วก็ดึงเข้าไปในในนรกเองจำได้ไหมสุรตุลมาอาริสอันเนี้ยคล้ายๆกับเรวายตนี้จะมีตัวแทนอะไรบางอย่างที่ออกมาจากนรกนี่มาหาชาวนรกถึงที่ไม่ต้องรอให้มันเข้าไปในนรกเองละเขาละวะลาอัตอัลลาิลลาห์แล้วเวลามาเนี่ยมาเร็วมาก นี่แหละที่เขาที่อัลลอฮฺตะลาเปรียบเทียบเหมือนกับอูดดาเพราะอูดดาเนี่ยมันจะวิ่งเร็วมันจะเวลาคนอาหรับเขาจะเข้าใจดีมันเวลาที่มันมันเดินเนี่ยอูดนี่มันเดินเร็วนะดูตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่มันเดินเร็วนะที่เขามีแข็งอูดแข็งอะไรลองไปหาดูในคลิป y o ยูทูปน่ากลัวอูดนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่ารักแต่ดูอย่างนี้น่ารักแต่จริงๆแล้วคนอารับนี่เขาจะกลัวกลัวอูดูหน้าตาของมันแล้วอ่า Arab, walaupun Allah Taala puat, wah, kean Nahjul Jamal, tuh tunggu, jadi cipta negarai, awak meneh kluar negara ni. Karena itu, kau tunggu baca ayat ni, macam kita orang Arab sebenarnya. Ah, In Toleku ilalillin zilasishu dhi ab, la zallilin, wala yugni min al lahab, innaa terni bi shararik al qasr. Luka api, macam kampung, dan kau teruk. Api ni teruk, dalam untuk d a t a n จับคนเข้าไปในเข้าไปทรมานในท้องของมันเหมือนกับอูดที่ตะหารุรอาติจารุกิาที่มันเคลื่อนไหวอย่างอย่างรวดเร็วไม่ใช่ไฟอ่อนๆไม่ใช่เป็นไฟที่คุกคามแล้วก็นุบิลลห์มนนี่คือนรกครับลาฮาวะละวาอัลตะเอลลาบิลลหิลอาลียลอลอัลลอฮมนานนุ้บิบนะ อัลลอฮ์แต่ละขั้นกลางอีกรอบหนึ่งไวรุนเยามาอิุินติรมุคเคาส์บีนความหายนะในวันนั้นจะต้องเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ที่กล่าวอ้างความเท็จนะครับต่อท่านนบีสุลต่านละอัลกุรอ่านที่อัลลอฮ์แต่ละประทานมาให้กับท่านฮะดะย์ยูมุลาญติกูนและยูอัลนุลฮุมฟัยยะติรุนนี่คือสภาพที่สองของชาวนรก ในวันอะเชรัสหรว่าคนที่จะต้องถูกลงโท น, นวันนี้เป็นวันที่พวกเขาเนี่ยไม่สามารถจะพูดอะไรได้อีกพูดไม่ออกหรอกครับไปเห็นนรกอย่างนี้จะพูดอะไรออกได้อีกอืมอาปากค้างเลยพูดอะไรไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งอัละะลอจะไม่ให้พูดด้วยอัละะลอฮฺจะไม่อนุญาตวลยุานุละฮมไม่อนุญาตให้คนพวกนี้พูดอีกต่อไป สัยอัติรูนวะลายุเอนุลาห์มสัยอัติรูนแล้วคนพวกนี้ก็จะไม่มีข้ออ้างอีกต่อไปเราเคยบอกแล้วใช่ไหมครับว่าวันอาครัชมีอีกไหมข้ออ้างไม่มีถ้าจะอ้างก็อ้างตั้งแต่วันนี้แล้วรีบจาัด ก, การข้ออ้างให้หมดเพราะว่าวันอาครัชข้ออ้างมันใช้ไม่ได้ทําไมไม่อ่านอัลกุรอานไม่ไว้เอาเฉพาะในเรื่องดุนยา แล้วรีบจัดการข้ออ้างนี้ให้จบก่ <c oughs> อนที่ถึงวันอาคราถึงวันอาคราปุ๊บล้วยุซาโนะลมพยายามะเรียรู้ไม่มีบอกแล้วจบไปแล้วไม่ละหมาดทำไมไม่ละหมาดเจ็บขาอ่ารีบจัดการให้ขาหายเจ็บเร็วๆจะได้ละหมาดจะได้ไม่มีข้ออ้างถ้ามีข้ออ้างเนี่ยเอาไปใช้กับอัลลอฮฺไม่ได้ในวันอัคราเด็ดขาจําเอาไว้จาําอันนี้ให้ดีว่แล้วยุซาโนะลมพยายามะเรียรู้ นะครับไม่มีข้ออ้างในวันอาครา์ถ้าจะอ้างรีบอ้างก่อนที่จะตายแล้วก็รีบจัด ก, การข้ออ้างของเราก่อนที่เราจะตายเสียนะครับ ว, ى ي วันนี้เป็นวันแห่งการ พิภากษาจำแนกอันนี้เป็นพระดํารัสของอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงพูดกับมัลกลุกมนุษย์ทั้งหมดในวันอาครัตนี่แหละคือวันที่ข้าจะมาจำแนกจะมากําหนดจะมาสอบสวนทุกอย่างที่มนุษย์ทําในโลกเดนีนี้ทุกอย่างที่มนุษย์ทําทุกอย่างที่มนุษย์ทะเลาะเบาแว้งกันทุกอย่างที่มนุษย์ทํากับตัวเองทํากับคนอื่น สแสดงออกปกปิดหรืออะไรก็แล้วแต่วันอาคราตคือวันคิดบัญชีเจ้ามือัฟฟ์ลุจมะนาคุมวันอววลนเรารวบรวมเจ้ามาอยู่ที่เดียวกันพร้อมๆกับประชาชาติก่อนหน้านี้ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะพวกเราทุกคนมนุษย์คนแรกตั้งแต่อดัมอะลัยฮสสลาม จนถึงมนุษย์คนสุดท้ายแล้วจะรวมเอาไว้ในที่เดียวกันแล้วเขาบอกว่าถึงแม้ว่าคนจะเยอะขนาดนั้นแต่เราเนี่ยเราเนี่ยสายตาของเราในโลกดุนยาเนี่ยไกลสุดเราเา่เราสามารถจะมองเห็นได้กี่กิโลคิดว่ากี่กิโลเวลาที่เราไปในทะเลหรือไปอยู่ที่ในบนภูเขาซีวิวเนี่ยเราตาของเราเห็นไปได้ประมาณสักเท่าไหร่ มีการวิจัยไหมลองคิดดูว่าในวันอาเครัตเนี่ยมนุษย์จะมีจำนวนเท่าไหร่แล้วมันจะไกลขนาดไหนสนามที่เป็นทุ่งมหชัชเนี่ยมันจะกว้างขนาดไหนเราคิดว่าเราจะมองเห็นไหมคนที่อยู่สุดสุดขอบอะในตัสซีนบอกว่าที่อีดินวาฮิด yes yes อดด้าย์อ่าอว่านฟุธุม่มลับ صر ฮูสามารถที่จะได้ยินกลแค่ไหนก็สามารถที่จะได้ยินว่าอัลลอฮ์กำลังเรียกอะไรมาลัย ก, กัสกำลังเรียกร้องอะไรจะได้ยินแล้วก็ตาก็จะได้เห็นถึงจะอยู่ไกลขนาดไหนเหมือนกับฉายให้เห็นแบบคือเห็นชัดแบบไม่ต้องใช้ ไมรูวะลาอฮฺอัลลอฮฺจอ LED จออะไรเดี๋ยวตอนท้ายรักทิอัลลอฮฺตาลาจะช่แต่นี่แหละครับเพราะวันเป็นวันที่ยิ่งใหญ่เป็นวันที่อัลลอฮฺตาลาเตรียมมาสําหรับการอัลฟัซลการพิพากษาโดยเฉพาะอเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีนะวันนั้นเนี่ยอาลอสบาวตาลาจะบอกว่าอย่างไงหลังจากที่บอกว่าวันนี้แหละเป็นวันที่เราจะมาจําแนก ระหว่างอัลมเฮตีนและอัลมุเตรีนระหว่างคนที่เป็นคนจริงอย่างที่เราบอกไปและคนที่เป็นคนปลอมบ่าวที่แท้จริงกับบ่าวที่ปลอมวันอาทิตย์จะได้รู้กันนะครับไม่ต้องมาทะเลาะหรอกดุเนียคุณไม่มีคําตอบหรอกว่าใครถูกจริงหรือใครผิดจริงไม่ต้องมาคาดคันตกลงใครถูกคาดคันไปก็ไม่ได้คําตอบ วันไหนที่เราจะได้คําตอบครับวันอาคีรัสเพราะฉะนั้นเตรียมคําตอบเอาไว้สําหรับวันอาคีรัสดีกว่าที่จะมาคาดคันคำตอบในโลกดุนียะทาตัวให้ดีก็แล้วกันทําตัวให้ตรงกับที่อรัสลาบอกก็แล้วกันแล้วมันต้องมานั่งเถียงกันว่าฉันถูกเพราะฉันตามนี่นี่อันนั้นผิดทะเลาะกันได้แต่มันไม่มีคําตอบที่สุดของที่สุดในโลกดุนียะคาตอบที่สุดของที่สุดก็คือในวันอาคีรัสวันเดียวเท่านั้น นะครับอังนี้เนี่ยมีความหมายอยู่สองแนวความหมายที่หนึ่งก็บอกว่าถ้ามีทางออกถ้าพวกเจ้าคิดว่าวันนี้มีทางออกมีทางหนีทีไล่เอาสิไล่หนีไปเลย หนีออกไปจากการลงโทษของฉันได้เลยแล้วตาลาบอกว่าถ้าคิดว่าวันนี้นี่จะหนีพ้นเอาเลยครับเชิญฟักีดูนหนีไปเลยหนีพ้นไหมอย่าว่าแต่วันอาเครัตเลยดุเนยียก็หนีไม่พ้นพรานั้นจะมีคำตอบที่บอกว่ามีมีคำอธิบายหรือว่าคำาตับซีรอีกอย่างหนึ่งที่ก็บอกว่า f a i ิงก n น l ล k ค m มไกดอนฟ a กีดูนหมายถึงว่า ถ้ามีอุบายอะไรที่เจ้าเคยใช้ในโลกดุนยาในโลกดุนยาเนี่ยบรรดาคนที่ไม่ศรัทธาต่อ Allah ตาอลตัอลลอฮ์นี่อุบายเยอะมากใช่ไหมครับที่จะทําลายอิสลามที่จะสร้างศัตรูกับประชาชาติมุสลิมทุกวันนี้เนี่ยเราโดนแผนการต่างๆเนี่ยตั้งแต่อาดัมจนถึงยุค ข, ของท่านนบีสลุลตลานเราสันหลับประชาชาติมุสลิมเนี่ยโดนเขาเรียกว่า เป้าโจมตีทุกยุคสมัยถูกวางแผนถูกปฏิบัติมาทุกยุคสมัยเพราะฉะนั้น อ, อละลรก็เลยบอกว่าเอามาสิเอามาเอามาแผนที่เจ้าเคยใช้ในโลกดุนยะก่อนหน้านี้งัดมาให้หมดเอามาออก็ให้หมดเอามาใช้ในวันอาคีารัตเนี่ยถ้าแน่จริงเข้าใจไหมครับอันนี้คือความหมายในการทำซีลแต่ว่าความหมายแรกนี่น่าจะ น่าจะชัดเจนกว่าก็คือว่าเอาเลยวันนี้ถ้าคิดว่าสามารถที่จะหลบไปจากการลงโทษของลอสเวลต์แตอ่ละจัดมาเลยจะจัดยังไงฟนะะอิงกานาลคมไกดุนฟีดุนแน่นอนว่าการท้าทายอันเนี้ยคนกาเฟสทำไม่ได้เด็ดขาดเขาเอาเป็นการท้าทายเชิงลิจีสเพื่อให้มีความรู้สึก ตกต่ําและก็ต่ําต้อยความรู้สุกถดถอยในหัวใจมากขึ้นไปอีกเอาสุเป็นลายมินกบอกแล้วเวลาที่อลัอลลอฮ์ลงโทษไม่มีการผ่อนปรนเส้นกั้นบางๆนะครับระหว่างความเมตตาของอัลลอล์กับการลงโทษของพระองค์เนี่ยอย่าให้ข้านไปสู่การลงโทษถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้านไปสู่ฝั่งการลงโทษของอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีผ่อนละ ถ้ายังอยู่ในเขตความเมตตาของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลแลคุณปลอดภัยชัวไม่ต้องเป็นห่วงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ก้าวไปสู่การลงโทษเมื่อไหร่ในวันอาครัฐนะครับอินนัลลอฮะชานีดุลัยกาบทันทีอัะลลอะตาลาส่งลงโทษอย่างหนักหน่วง ท, งทั้งทีไม่มีอัลกรุรอานที่บอกว่าอินนัลลอฮะคาฟีฟุลกาบไม่มีไม่มีอัลกรุรอานที่อัลล์ตาลาบอกว่า ขอลงโทษเบาๆในโลกดุนยียะในโลกอาเครัตไม่มีลงโทษเบาๆมีเฉพาะในโลกดุนยียะในโลกดุนียะเนี่ยเราตลาลงโทษเบาๆเพื่อให้เราสํานึกถ้าอยากจะสํานึกรีบสํานึกตอนที่โดนลงโทษเบาๆในโลกดุนยียะเพราะว่าพอถึงวันอาเครัตปุ๊บไม่มีละเบาเนี่ยไม่มีล้ในวันอาเครัตจะเป็นลักษณะอย่างนี้เวลาลงโทษก็ลงโทษจริงๆ نعوذ กบิ lla لا ح و ล ولا ق ล ة إلا بالله العلي ا เราอยากจะสื่อสารไปยังบรรดาคนที่อหังการหรืออหังกากับอัลลอฮุ س ب ح ا ะสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธหรือสิ่งที่พวกเขาดื้อด้านอยู่พวกเขาจะต้องเตรียมคำตอบว่าทำไมที่ดื้อด้านทำไมที่ปฏิเสธเขาจะต้องเตรียมคำตอบเอง เราไม right ่มีสามารถที่จะให้คำตอบให้ก <state> ับเขาได้เราได้ได้แค่อธิบายให้เขารู้บอกให้เขาเข้าใจอ่านให้เขาฟังสุดท้ายท้ายที่สุดแต่ละคนก็จะต้องรับผิดชอบตัวเองพอถึงตอนนั้นอัลลอฮ์ทรงพานหัวใจเราว่าแต่เาบอกหมดแล้วนะครับเราจะไปล่ะหรือไม่เชื่ออีกไหมนะ เน้นไม่รู้กี่ครั้งลนไม่รู้กี่ครั้งที่สลายละความไหยนะวันนั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนกับบรรดาคนที่ปฏิเสธอ Allah s u b h a w t a a l นน้องครับนี่คือนรกนะครับอายัตของลอตอาลาที่พูดถึงนรกเนี่ยจะสั้นๆอย่างนี้แหละสั้นๆแต่ว่าตอกแบบเจ็บมากาตอกทีละทีที่เจ็บอินเตลกู อีลามาคนสมบิคตุคซลสิบุนสังเกตดูสังเกตดูให้ดีในอัลกุรอานเวลาที่พูดถึงนรกเนี่ยจะสั้นสันแต่เวลาพูดถึงสวรรค์นเนี่ยจะอธิบายจะสาธยายเพราะอะไรเพราะในเชิงจิตวิทยาการพันานาการสาธยายเนี่ยจะทำให้หัวใจของเราอยากจะเรียกว่าคล้อยตามในขณะที่เวลาที่เราจะขู่เราจะ อะไรเขาเรียกอย่าสำทับเนี่ยือไม่ต้องสาธทยายยาวเอาเนื้อเนื้อเอาเนื้อเนื้อแต่เน้นเน้นเหมือนเวลาทท่าลเราพูดถึงนรกนี่จะตอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้มันเจ็บมันเจ็บและเจ็บจริงๆเพื่อที่จะได้กลัวจะได้กลับไปหาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺ تعالى าละละมั่นพระคู้วยให้ดำเร็องอัลลอฮ์ وأيَّكُم ل ِ م َา ي ُ <ر ب ر กม์ที่เขายาบุรุษที่เ ا, الله إ ح ยาอัลฮัม ا ์อัลหะม ا ل ل ัล ي ัตถุนั้นอัลลอ ل ์อวยยาคุ ب ح นมาชอ ر ว่าจะรับสุลลัลล ا ฮ์อัลเลาะห์นบีอัลโ ح ฮัมห ل ัดอัล ع ั ل ฮิ ن ัลซับบ م บ ح ัลลัมสุบฮานะรั س บิคาร์บิลกิซเตอัลมาที่พบ